ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติศิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุฝากสังขติไว้กับพวกภิกษุมีเพียงอุตราสง์กับอันตรวาศออกจาริกไปสู่ชนบทจริงหรือภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตําหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉนยพวกโมฆะบุรุษเหล่านั้น